ที่ว่าทำชฉไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกเราได้เนี่ยเป็นคำถามสำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมานะในโลกนี้ น, นี่เป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของเจ้าชาสิทธัตถะเห็นคนแก่เห็นคน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 ทำไงจึงประสบความสําเร็จในความรักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถามอย่างนี้มากกว่ า, แ ล, าแล้วคํำถามเรานี้มันก็เปลี่ยนชีวิตเด้เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งเปลี่ยนไปสู่ทางเห็นความทุกข์ก็ได้แล้วก็มักจะทุกข์มากด้วยแล้วพอไม่สําเร็จก็โกรธแค้นนะ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 หลายคนมักจะบ่นตัดพ้อว่าทำไมเขาไม่เข้าใจฉันแต่เขาไม่ค่อยได้ถามตัวเองว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรือยังเขาไม่เข้าใจฉัน <S <S <ๆ>เขาไม่เข้าใจฉันน้อย้วยต่าใจนะแต่ไม่เคยถามตัวเองเลย ว, ว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าคนที่มักคนที่พูดแบบนี้เนี่ย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 มันจะตัดพาอว่านะทําไมเจ้านายนะไม่พูดดีกับฉันทําไมเจ้านายไม่เป็นธรรมกับฉันทําไมรถติดนะทาไมฝนฟ้ามันปั่นป่วนปรนแปรแบบนี้นะแต่ไม่ค่อยถามตัวเองว่าเออแล้วทําไมเราเราต้องทุกข์ด้วยนะทําไมเราต้องโกรธแค้นนะที่เจ้านายทํากับเราอย่างนั้น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 แทนที่จะถามว่าทำไมเ็าพูดกับเราแบบนี้เพื่อนนะทำไมเพื่อนพูดกับเราแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องถามว่าทาไมเราต้องน้อยออกน้อยใจนะจกับคำพูดของเพื่อนด้วยคือถ้าเราถามอย่างหลังเนี่ยนะ <c oughs> ความคิดเราเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยน Actually, <c oughs> เลยนะ <c oughs> เราจะเห็นว่าเออเราไม่น่าโ ง, ง่เลยนะรถติด <c oughs>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 อย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยทำไมเขาไม่เข้าใจเรา <ham> ถ้าเราถามว่าเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้เรา <ham> หยุดบน <solutions> เพราะทำให้รู้พบว่าเออเราก็ไม่ต่ดจากเขาแล้วยิ่งถ้ามาถามหมายว่าแล้วเราเข้าใจตัวเราเองหรือยังเอาแต่บ่นว่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราแล้วถามใจตัวเองถาะว่าเราเข้าใจตัวเราเองแล้วหรื อ, อยังนะถ้า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 หินมันหนักลุมมันลึกนะเราลองกลับมามองตัวเองดูบ้างนะสร้างนิสัยใหม่คือกลับมาย้อนมองตัวเองกลับมาทักท้วงตัวเองทักท้วงใจตัวเองนะโดยเพราะเวลามีความทุกเนี่ยนะถ้าเป็นความทุกใจเนี่ยให้กลับมามองที่ตัวเองว่ามันทุกเพราะเราไหม และถ้าสาปไปจริงๆก็จะเพราะโอ้มันเป็นที่ใจเราความทุกข์ใจนี่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะที่ใจเราอย่างเดียวนะแต่มันเกิดเพราะใจเราวางไม่ถูกด้วยนะถ้าเป็นความทุกข์กายก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะเกิดจากอาหินอาจจะเกิดจากแก้วอาจจะเกิดจากไฟอาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากคนอื่นมาทํา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 ใจที่หลงหลงลืมนะมันคือค่าเหมือนคนละเมอนะคนละเมอแล้วก็ไปไปแบกเอาหินนะแล้วก็ในฝันเ้าสู้สึกมั น, ม, นมันทุกข์เหลือเกินนะในฝันนี้รู้สึมกสมันก็ว่าแบกอะไรแบกโลกทั้งโลกไว้ทุกข์มากเลยนะที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไปแบกมันเอาไว้แล้วที่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 เห็นโอง่งนะคนสมัยก่อนนี่เขามีโอค์เก็บน้ำเห็นโอง่งก็แบกโอ่ ง, องไปเลยวิ่งหนีออกจากบ้านหนะนักก็หนักนะแต่ว่าความตื่นต o งใจมันทำให้ลืมตัวนะพอวิ่งหนีไปได้สักพักไกลจากอันตรายแล้วเออกลับมารู้ตัวใหม่ก็ถึงค่อยรู้ว่าโอ้เป็นเพราะแบกโอ่ ง, องเอาไวนะ้อย่าไปโทษว่าโอง่งมันหนักนะแต่โทษว่าต้องถามว่าทำไมไปแบกมันทาไม คนเรานี่ถ้าเราถ้าตั้งคำถามไม่ถูกนี่มันทุกข์นะแต่ถ้าตั้งคำถามถูกนี่มันช่วยทำให้เราเห็นที่มาของความทุกข์เราก็สามารถที่จะหลุดหรือปล่อยความทุกข์ได้มีหลายคนนะเวลามามาหาหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อท่านก็แนะนำให้ให้ปฏิบัติให้เจริญสติ เขาบอกเขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะรวมพ่อก็จะถามว่าแล้วทําไมมีเวลาโกรธทําไมมีเวลาทุกนะมีเวลาทุกเป็นวันวันมีเวลาโกรธเป็นเป็นเดือนเดือเลยนะเรามีเวลาทุกเวลาเศร้านี่เรียกว่ามากมายทีเดียวแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ประหยัดเวลาเลยนะกับความทุกข์ในเมื่อมีเวลาโกรธมีเวลาทุกข์ทำไมถึงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะนะลองถามงี้ดูเองบ้างนะถามตัวเองดูบ้างนะว่าทำไมเรามีเวลาโกรธทำไมเรามีเวลาทุกข์แต่ทำไมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะทำไมไม่มีเวลาเยียวยาจิตใจตัวเอง ในเมื่อมีเวลาโกรธได้เป็นวันๆนะก็ต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมห้านาะทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะที่จริงคำถามที่ว่าเนี่ยทำชฉนหการทำ ท, ที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชกัดแกเราได้เนี่ยมันยังมีในยะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าความทุกเนี่ยถ้าจะถ้าอยากจะให้หมดไปเนี่ยมันต้องลงมือทานะ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 เสพนี่มันไม่เหนื่อยนะยุคนี้เป็นยุคบริโภคนิยมก็เน้นที่การเสพการบริโภคเพราะเชื่อว่าถ้าเสพมากบริโภคมากมีมากจะทำให้หายทุกขแต่จริงไม่ใช่หรอกความทุกข์มันจะหมดไปได้ก็ต้องลงมือทาซึ่งก็หมายอีกแง่หนึ่งว่าไม่สามารถจะอ้อนวอนร้องขอใครได้บนบานสารกล่าวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันหายทุก ช้ยขันมีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่มันต้องลงมือทำนะทำขนานการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้คือมันจะหมดทุกด้าด้ต้องล ง, ลงมือทำนะไม่ใช่เพราะมีนะไม่ใช่เพราะได้แล้วทาที่ไหนก็ทาที่ใจนะเรื่องแต่การรู้จักทักท้วงใจตัวเองเวลาทุก เวลาบนวอยวายตีโพย ต, ตีพายนะรู้จักถามถามให้ถูกถามให้เป็นถามคําถามที่ดีมันจะเป็นการทักท้วงตัวเองไปในตัวนะแล้วก็หมั่นดูใจของตัวเองบ่อยๆอยู่ บ, บอ่อยๆอย่า อ, อย่าปล่อยใจให้หล่นหายไปถ้ามันหล่นหายไปเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมาหาใจให้เจอนะการภาวนาเนี่ยคือการที่นะ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 ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะหืมเมื่อไหร่ก็หามันทันทีเลยไม่ปล่อยให้มันหลงจมหายไปนะในกองทุกข์เอาละชาตนี้ก็พุด ก, กันเท่านี้อ่ะ